นิทานเรื่องทำไมช้างจึงตาเล็กและเสือมีลายค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะค้นกว้าทางอินเทอร์เน็ตได้จากเว็บไซต์ everykids.com ค่ะ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 ช้าก่อนช้าก่อนเจ้าเสือร้ายเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ข้าไม่ได้ดเป็นอิสระแล้วข้าเป็นเฉลยเขาอยู่นะผู้ถอยอย่ามาหลอกข้าเสียให้ยากเลยเจ้าตัวใหญ่ออกอย่างเนี้ยใครใครจะกล้ามาจับเจ้าเป็นเฉลยได้นอกจากข้าเจ้าปลาผู้ยิ่งใหญ่ นี่ไงเจ้าเห็นไหมขาของข้าน่ะถูกล่ามโซ่อยู่กับต้นไม้เนี่ยก็เพราะข้าตกเป็นชเชลยของมนุษย์ช้างพูดพร้อมกับยกขาที่ถูกล่ามโซ่ให้เสือดูค่ะอะไรกันมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะยังจับเจ้าล่ามโซ่ได้หรือหืมสงสัย ใช่น่ะซิมนุษย์ตัวเล็กๆนี่แหละถึงจะไม่มีเขี้ยวเล็บไม่มีเขาหรืองาแต่มนุษย์มีปัญญามนุษย์มีปัญญารู้ไหมเสือพอได้ยินช้างพูดถึงคำว่าปัญญาก็สนใจจึงถามช้างขึ้นว่าไอ้ตัวปัญญาของมนุษย์มันวิเศษแค่ไหนเชียว ถ้าข้าเจอแล้วก็จะจับกินเสียอเข็ดปัญญาของมนุษย์ก็อยู่ที่ตัวมนุษย์สิเจ้าเสือเอ้ยถ้าเจ้าอยากเห็นจริงๆแล้วก็รีบแก้โซ่ที่ผูกขาข้าออกสิแล้วข้าจะพาเจ้าไปดูไงได้เลยเสือพูดแล้วก็ตรงเข้าไปแก้โซ่ที่ผูกขาช้างออก แล้วช้างก็เดินนำหน้าเสือมุ่งสู่บ้านมนุษย์ทันทีเมื่อถึงบ้านมนุษย์แล้วช้างก็ตะโกนเรียกมนุษย์ให้ออกมาพบข้างนอกฝ่ายมนุษย์ไม่รู้ว่าใครมาเรียกก็ออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้ระวังตัวทันใดนั้นเสือซึ่งรอจังหวะอยู่แล้ว จึงตะครุบตัวมนุษย์ไว้ในกรงเล็บอย่างง่ายดายมันหัวเราะเยาะด้วยเสียงอันดังที่สามารถเอาชนะมนุษย์คู่พิชิตช้างได้เสือจึงหันไปพูดกับช้างว่ า, จาเจ้าช้างไหนจะงหวมนุษย์มีปัญญาเก่งกล้ายังไม่ทันได้ต่อสู้เลยข้าก็จับมันได้แล้ว และข้าก็จะกินมันเสียเดี๋ยวนี้แหละมนุษย์เมื่อได้ยินเสือพูดอวดตัวเช่นนั้นก็ใช้ปัญญาของตนต่อสู้กับเสือทันทีโดยพูดกับเสือว่าช้าก่อนช้าก่อนเจ้าเสือถ้าเจ้านะกินข้าตอนเนี้ยเจ้าก็จะไม่มีโอกาสเห็นตัวปัญญาของข้าเลยเสือ เมื่อได้ยินดังนั้นก็หยุดชะงักแล้วถามมนุษย์ไปว่าไหนล่ะตัวปัญญาของเจ้าอ่ะก่อนตายเอาออกมอวดข้าหน่อยเป็นไงได้สิถ้าเจ้าอยากดูแต่ตัวปัญญาของข้าอยู่ในบ้านถ้าอยากเห็นเจ้าต้องปล่อยข้าไปข้าจะได้ไปจูมันออกมาให้เจ้าดูไง ฝ่ายเสืออยากเห็นตัวปัญญาเป็นหนักนา้าจึงหลงกลปล่อยมนุษย์ไปมนุษย์เมื่อถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วก็วางแผนจัดการกับเสือโดยพูดขู่เสือไปว่าระวังนะเจ้าเสือตัวปัญญาของข้ามันตกใจง่ายถ้ามันเห็นเจ้าเข้า มันจะวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วไม่ยอมออกมาอีกเป็นเด็ดขาดอ้าวแล้วอย่างนั้นน่ะจะให้ข้าทำย่างไรล่ะไม่ยากเจ้ามาให้ข้าจับมัดไว้กับต้นไม้เสียก็สิ้นเรื่องตกลงตกลงมนุษย์ก็จัดการ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 นี่ไงล่ะตัวปัญญาของข้าไอเดนมันหวนะจะเป็นตัวปัญญาได้ยังไงนี่แหละนี่แหละตัวปัญญาของข้าเจ้าเสือหน้าโง่เอ้ยเจ้ามันอวดเก่งนะักข้าจะสั่งสอนให้รู้สำนึกเสียบ้าง พอมนุษย์พูดขาดคำก็หวดเสือด้วยหวายอย่างมันมือจนนับครั้งไม่ท้วนค่ะฝ่ายช้างที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็หัวเราะด้วยความชอบใจเพราะด้วยปัญญาของมนุษย์มนุษย์ไม่เพียงรอดชีวิตมันเองก็รอดชีวิตด้วยช้างหัวเราะใหญ่ หัวเราะเีจนน้ำตาไหลพ ร, รากอาบแก้มดวงตาของช้างเลยเล็กลงเล็กลงเหลือเท่าเนี้ที่เห็นจนทุกวันนี้ซึ่งก็ไม่สมกับตัวของมันเลยก็เพราะหัวเราะมากนั่นเองค่ะฝ่ายเสือเมื่อถูกโบยด้วยหวายก็เจ็บปวดแสนสาหัสดิ้นทุรนทุรายไปมาจนเชือกขาด มันจึงวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนถึงบัดนี้เสือก็ยังไม่รู้ว่าปัญญาของมนุษย์คืออะไรเสือเดินโซซัดโซเซไปขอความช่วยเหลือจากสัตว์ในป่าให้ช่วยรักษารอยแผลจากการถูกโบยด้วยหวายแต่ไม่มีสัตว์ใดช่วยเหลือมีแต่สมน้ำหน้าเพราะ เสือได้รังแกสัตว์อื่นไว้มากนั่นเองค่ะตัวของเสือจึงมีแผลเป็นและกลายเป็นลายให้เห็นมาจนทุกวันนี้ค่ะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าท่านงหลงว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเพราะอาจมีคนเก่งกว่าเราก็ได้ และเมื่อนั้นเรานั่นแหละจะอับอายขายหน้าคนอื่นๆเขาจนมองหน้าใครไม่ได้